สิขาบทวิพันธ์หนึ่งพันเก้าองว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าพิกษณีมีอธิบายว่าชื่อว่าพิกษณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าพิกษณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอายุตำกว่า12ปีคืออายุไม่ถึง12ปี ที่ชื่อว่าหญิงที่มีครอบครัวถ้าผู้มีพระภาคตรัดหมายถึงหญิงที่เคยอยู่ร่วมกับชายคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้พิชชณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องอบัตรทุกขกดจบยาติต้องเอบัตรทุกขกจดกกจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตรทุกกดสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายพิชชณีผู้เป็นอุปชา ต้องอาบทปาจิตตีและคณะและอาจารย์ต้องอาบดทุกกฎ